ธรมสรัมกญชามิสังฆังสร เดิมตอนที่แล้วในยามสองนยามสามพระสมณโคโดมทรงได้จากขุทิพย์ละริยะสัตสี่ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกมนุษย์เกิดแผ่นดินไหวและอัศจรรย์ในสิ่งที่ดีต่างๆสัตว์นรกในนรกภูะพุ่มลุกพ้นจากวิบากกรรมและความทรมานในระยะเวลานั้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าเหล่าเทพ ย, ยดาต่างแส้สองสาธุการ พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุขใต้ต้นสีมหาโพธิอันนีม้มสเจดีย์รัตนาจุรมเจดีย์รัตนาคราชเจดีย์ในแต่ละเจวันและจะเสด็จข้ามแม่น้ำเมรังชาจะชายจะาองเรื่องไม่ยอมพาข้ามไปเพราะต้องการตึงเดือนขจรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวี ตอนที่25ได้นักบวชว่าอย่งนักบวชยืนนิ่งอยู่เนี่ยเพราะไม่รู้จะทำอะไร ดูเปลี่ยนใจไม่ข้ามแม่น้ำเนรันชราแล้วล่ะอัตมาเปลี่ยนใจไม่นั่งเรือของท่านแต่ไม่เปลี่ยนใจที่จะข้ามไปฝั่งนั้นงั้นก็หาเรือล้าใหม่ละกันหรือใหม่ก็ไหวนะ้ำข้ามไปละกันนะอัตมาคงไม่ทําเช่นนั้นเจริญพรนักบวชนมใหญ่เต้าลงไปในน้ำแล้วทําท่าเหมือนจะเดินข้ามไปอ ะ, อะไรกัน呐 พระขงศรมวชเหมือนจะลอยอยู่ันผิว น, น้ำเลยไม่มีน้าแม่แต่หยดเดียวประเส้นเปียกหาจนกระทั่งก้าพ้นไปถึงอีกฝั่งตรมไปยังต้นไสรใหญ่อันเคยเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพอันเรียกว่าอาชาปานิโครทาโอที่แท้ท่านเป็นผู้มีบุญมาโปรดเรา กล้าตาเป็นุงอกเขาเอาปัญญาประนึ่งว่าเห็นทองคำอันนี้ค่ะเป็นก้อนพูดอันสกปักซ้อมมุมไปเสียดายทำไมขางอโง่ายอย่างนี้พัดออกจะมีราซีไว้จดบันท ต่อไปข้าจะเป็นคนมีน้ำใจข้าตาอภัยข้าตาอไปจริงๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ดีย่ร้ายน้ำใจ อาจจะเสียโอกาสไปได้ไม่ง่ายนะถูกต้องแล้วท่านเท้ามาพรหมด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงควรหมั่นทงความดีมีน้ำใจหรือทำบุญสุนทานไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสสร้างมหากุศลเช่นชายเจ้าของเรือผู้นี้สาธุพวกข้าพเจ้าเหล่าเทพพญดาทั้งหลายก็ขอน้อมกายน้อมใจยึดมั่นในความดีพุทถวัตเป็นพุทธบูชา นั่นเสียงอะไรทางทิศประจิมหรือตะวันตกก็กำลังมีเมฆดำก้อนใหญ่ลอยตรงเข้ามาที่แท้คือมารร้ายแต่วสวัสดีพญามารก็ถูกสายทานแห่งพระธรณีดูดจมลงไปใต้ปัต ภ, ภีแล้วนี่นะไม่น่าจะกลับขึ้นมาได้นั่นไม่ใช่วสวัสดีมารอุกกาตแต่เป็นมาโลกหม่ที่เข้าครอบครองสวรรค์ชั้นปรินิมิตะวสวัสดีแล้วมาตามีปริญาว่า จะทางล่างผานพระู้ถูกให้จงด่าและพวกเราทั้งหลายจะทำอย่างไรดีจะสู้หรือจะหนีข้าพเจ้าเท้าโกสีจะรอยอยู่ที่นี่เพื่อเป็นกำลังหนุนให้พระผู้วิชิตมารผานพยามารได้ดังสมญามาเราวิชัยพวกข้าพเจ้าเหล่าเทพทั้งหลายก็จะไม่ยอมไปไหนดูสิว่ามารร้ายจะมีเลขกลประการใด ดูก่อนมานรร้ายท่านตองการสินไดจากอธมอนนมตมาอาไแมว่าข้าจะจูโจมไปวู้บาไปบากูไม่สามารถสู้ไ ด, ด้กัโเจมชายสิทธาที่แตสรุเป็นเรลาสัปดาห์ประจาแล้วจอมมีพลธุภาพันยิงนย่ ง, ง, หนะงใหญ่ถ้าไม่งงวันเจ้าพยายามารบบ่อยอย่าลืมเรื่องรถสนีตมิ่งกต้องหาอุมให้นน่าจะ เราถามท่านว่าต้องการสิ่งใดจากอาตมาผู้มีนามว่าตถาคตอะติตานท่านมาได้พัท่านอ่าองเจ้าชายสินองค์รานายาแห่งมูลและรู้ดีว่าถ้ามีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นั่นคือการได้หลุดพ้นจากวังวนวัฏสงสารและในที่สุดท่าก็ตัดสินจนบรรลุถึงซึ่งนิพพานาท่านเลยต้องเรว่าตัถาค น, นั่นหมายถึงพระผู้ไปแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้ไปไหนท่านเข้าใจผิดแล้วมารเราตถาคตคือผู้ไปแล้วจากอาวิชชาและกิเลสท่านหลายแต่ท่านยไม่ได้ชื่อบอกเป็นผู้มีความโลภมากไม่รู้จักพอเพียงดูก่อนมารตถาคตมีความโลภอย่างไรไม่พอเพียงที่ตรงไหนก็ท่านจะรู้แล้วได้ดีที่สุด ควจะ p ร o อ, อายุสังขารนิพพานสเสพจะมุลีรอเพื่อปรารถนาในสิ่งใดเยรมานผู้เป็นใหญ่ในอากุศลอันคนธรรมดาสามัญที่ม่ได้ป่วยไข้หรือมีอายุสั้นอาจดำรงชีพได้ถึงร้อยปีตถาคตออกบันรประชาเมื่ออายุ29บําำเพ็ญเพียรราว6กปีบัตรนี้มีวัยส5สห้า ยังไม่ถึงเวลาปรงอายุสังขารท่านรอไปก่อนเถิดมาตถาคตยังไม่นิพานในเวลานี้่านจะเป็นพระเจ้าหรือไม่ก็าตามแต่ข้าไม่มีวันยอมเ้ือราจชาทันด้วยง่ายเราจะได้เห็นกันต่อไป <c oughs> เจ็ดวันแล้วที่พระพุทธองค์ทรงประทับใต้ร่มเงาอาช ป, ปานิคโครทะนี่เป็นเช้าวันที่36เราลจะตรัสลูแล้วสินะไม่รู้ว่าจะเสด็จต่อไปที่ไหนดูนั่นสิองอัมร์มีพญางูตัวใหญ่เลี้ยข้ยาไปหพาหพระพุทธเจ้าพญางูที่ไหนกันนั่นคือผู้เป็นใหญ่แห่งทิพย์บรณดานอั น, นาามินามบาุจลินามากรา เพืจะประกาบทูลอราธนาให้สเสด็จไปประทับใต้ร่มาานามาญจรินหรือมาจริงที่อยู่ทางทิ่ตาวันย์ี่ตะบะช่วงใ ต, ใต้ของต้นสีมาโพจริงอย่างที่ท่านถามหาตรงกกางพระพุทธเจ้าสเสด็จไปแล้วล่ะแต่มีเทพองค์ใดกำลังมาทางนี้ที่แท้ก็คือหนึ่งในจตุโลกบาลสเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเทพวรุหรือพระพิวนั่นเอง ผู้กแกล้วองอมรินข้าพเจ้าคือพระพิรุนเทพแห่งสายฝนผู้ดนบันดาล น, น้ําจากฟ้าให้ผู้คนสามารถทําไร่นาหาเลี้ยงชีพด้วยกสิกรรมได้เทพพยายดาทั้งหลายขออภัยที่ข้าพเจ้ามาช้าจนไม่ทันในร่วมสาธุการด้วยพระสศ พ, พันยูแต่ท่านก็ได้มีที่นี่แล้วจะเป็นสาธุก็อย่างมิสายจริงสินะข้าพเจ้าจะขอถวายสายฝนอันเย็นช่าเป็นเครื่องบูชาต่อพระมหาบุรุษ ต้องรีบขึ้นไปหยุดวาราหกหรือเมฆก่อนที่จะลอยหายแล้วนํามาปลปอยปลายเป็นสายฝนที่นิ่งเพรพิลุณโอขึ้นไปหอบรอหลแล้วจริงสิถ้าบรรดานในฝนตกลงมาไม่ได้ห ม, มายความว่าพระพุทธองค์จะทรงเย็นชื่นสำใจเท่านั้นแต่พระองค์จะทรงเปรียบพระวรกายหรืออาจจะหนาวสั่นได้ แล้วพวกเราจะทำอย่างไรดีเวลาหกก้อนใหญ่ลอยมาจนท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดแล้วนนเนี่ยดูก่อนมุตจลินทะนาคราช ตถาคตรับคำอาราธนาของท่านมาอยู่ในพุทธยาณวิหารธรรมที่ใต้ต้นจิกหรือต้นมุจจรินแห่งนี้เป็นเวลาเจ็ดที่วาราตรีแล้วท่านยังมีความประสงค์สิ่งใดขอดดเดชะาระบรมสารสนพระยิ่งใหญ่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความจากพระพิ็นุลเทพว่าจะประดานให้มาเกิดฝนตกลตลอดเจ็ที่วาราตรีนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาจนกรมวน ไ, มได้วาสายฝนจะต้นพระบรากาย และพื้นพุทธบา ล, ลังอาจจะเปลี่ยนน้าได้จึงขอถวายความพระขาด้วยการขดร่างกายรอบต้นมุชรินเจ็ดรอบเป็นหน้าขาบัน ล, ลังและแผ่พันธณนันมีเจดหัวของข้าพรเจ้าปกป้องเบื้อง บ, งบนแห่งพระเสียนแม้ต้องร้องฝนตลอดเจ็ทิวาลาตรีนี้พระเจ้าค่ะเราตถาคตขออนุโมทนาและรับในกุศลเจตนาของท่านและด้วยกรรมอันเป็นมหากุศล น, นี้ต่อไปในวันหน้าจะมีผู้สร้างรูปเคารพบูชาของตถาคต และพระยาณาคซึ่งปลกไว้ให้พุทธชนทั้งหลายกราบไหว้บูชาสืบไปขอเดชะพระภูมีพระภาเจ้า วันนี้ฝนได้หยุดตกและครบเจ็ดที่วาราตรีตามที่ข้าพระเจ้ามุจจรินได้กราบทูลราตนาให้พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในพระพุทธยานวิหารทำแล้วพระเจ้าข้าดูก่อนมนต์ท่านก็คือร่างแปลงของพญามุจจรินทะนาคราชสินะพระพุทธเจ้าค้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายมงคมลากรับบรเจริญภาวนาอย่างพิพรมดานต่อไปพระพุทธเจ้าค้าเจริญพรพญามุจจรินทะนาคราช เดชะข้าพระพุทธเจ้าส ก, กเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงแดนสวรรค์ขอกราบนมัส ก, การพระพุทธเจ้าข้าจเจริญพร อ, องค์อมรินท่านมาพบตถาคตเช้านี้เพราะมีกิจอันใดขอเดชะที่ทิศทักษิณหรือทิศใต้แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์มีเงาไม้เกตอันมีนามว่าราชายตนะ ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ประทับที่นั่นเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อเสวยบรมสุขอันเกิดแต่พระพุทธญาณวิหารธรรมและขอถวายผลสมออันเป็นทิพย์ะโอสฐจากแดนดาวดิงเป็นโภชนาหาในวาระแรกหลังจากทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าค่ ะ, จะเจริญพร อ, อ ง, งอมรินแต่เราตาคตยังไม่มีบาศ อาจาต้องรับด้วยมือจากท่านขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งสี่อันมีนามรวมว่าจะตุูโล ก, กบาลได้นำธาตุแห่งบาทบริขารมาถวายข้าพระพุทธเจ้าอมรินขอถวายปตวีธาตุแห่งบาทบริขารหรือธาตุดินพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธเจ้ายมาราชขอถวายอาโปธาตุแห่งบาทบริขารหรือธาตุน้าพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าว่ารุนเทวราชหรือพิรุณเทพขอถวายวายโยธาตแห่งบาดบริขารหรือธาตุลมพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเท้าวกุเวนขอถวายเตโชธาตแห่งบาดบริขารหรือธาตุไฟพระพุทธเจ้าค่ะเจริญพรพวกท่านจตุโลกบาลทั้งหลายท า, าคตจากนําธาตุดินน้ำํำลมและไฟมาอธิฐานรวมเข้าด้วยกันเป็นบาดบริขาร ซึ่งปุทชนสามารถสัมผัสได้ อย่าเสด็จใบทรงเล่นที่ริมสระเดี๋ยวจะทับตกลงไปดอกไม้สวยดอกไม้สวยพี่รัตศรีเส ด, ดดอกไม้ให้ไหนสิเสดแม่ลูกอยากได้นี่เป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกบัวหรือปทุมชาติจะ่ะลูกจา๋าปล่อยให้บานกับต้นย่อมจะสวยสดและมีคุณค่ามากกว่าเด็ดเอามาทำให้เหี่ยวเช้านะแต่ลูกจะเอาจะเอาดอกบัวพระเจ้าค่ะดื้อจริงลูกคนนี้ ทรงตามพระไทยพระโอรสสักนิดเพคดพระชายาถ้าตามใจมากไปราหุ่นอาจจะเสียเด็กก็ได้นะเกษณีอืมได้ยินแว่วๆว่าใครกะเสียเด็กที่ไหนแหวนวาาคองคเพค ะ, สะเสด็จปู่สเสด็จย่าลาหุ่นหลานย่าทำไมถึงทําหน้างองอย่างนี้มีใครขัดใจหรือไงลูกเองไพคะลาหุ่นรบเรา้าจะเอาดอกบัวที่บานในศให้ได้ ก si ็ส <í> ั่งให้ใครลงไปเด็ดซี่พิมพาถ้าปล่อยให้ปรารถนามากเกินไปเราคุณอาจจะแอบหมีลงไปเก็บเองไดสในเวลาที่ไม่มีใครเห็นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรหรือเหมือนใครเสด็จปุ๊บเจ้าอย่าเพิ่งรู้เลยหลานย่ามาให้ย่าชุงเดินเล่นรอบสะดีกว่าถ้ามีดอกบัวอยู่ใกล้ริมสะตรงไหนย่าจะเด็ดให้เองจริงจริงะเสด็จย่า เกสนีรัศมีรีบตามเสด็บไปสิจะ๊ะ <c oughs> จะได้คอยถว่ายอาระคาเผ็ค่ะพระชาญอ ธรรมหาพรมพระพุทธโคโดมเสวรสุขนับได้49วันแล้วโดยมิได้เสวยพระกายหารเลยพระเจ้าค่ะผิดแล้วเทพพ ย, ยดาทั้งหลายข้าพระเจ้าพึงจะถวายผลสมออันเป็นทิพยาหารจากดาวดึงแดนสวรรค์แต่ผลสมอนั่นเป็นทิพยยาโอสดหรือยาระบายเผื่อให้ทรงถ่ายสิ่งที่หมักหมมอยู่ในพระอุทธร อ, ออกมามิใช่หรืององค์อมริน แล้วถ้าไม่ถวายที่พยาหารเราจะนาอาหารที่มนุษย์กินมาได้จากที่ไหนกันละ่ะทีพยอดาหลอยจะมองไปยังขบวนเกวียนของนายวา น, นิสสองคนนั่นคนพี่มีนามว่าตะพุทธศรร์ส่วนน้องชายชื่อพลิกาในชาติบานก่อนนอัติฐานว่าคอยเกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าในชาตินี้และได้เป็นอุบาสกก่อนอุบาสกท่านปู้อ่ พวกข้าพเจ้าคิดว่าเขาน่าจะสมปรารถนาและได้แก้ปัญหาความห่วงใยที่พวกเราทั้งหลายมีต่อพระพุทธองค์ได้หรือพระอินท่านคิดประการใดข้าพเจ้าจะบัรดาให้เกวียนของพวกเขาติดลมเดินทางต่อไม่ได้และจะเคลื่อนล่างเข้าแฝงกายบริวารของเขาเพื่อแจ้งให้รู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าที่นี้ ตาปุษะรู้สึกว่าเกวียนของพวกเราจะติดลมล้อเกวียนจมดินลงไปจนเดินทางต่อไม่ได้แล้วนะท่านพี่อย่าพ่งยอมแพ้สิน้องภริกะให้คนของเราเอาไม้มาหนุนที่ล้อแล้วช่วยกันจูงโคเข็นเกวียนให้เดินหน้าไปข้าวไม้หนุนล้อแล้วทุกคนพร้อมใจกันจูงลากและเข็นเกวียนเดี๋ยวนี้โอ้โหเลื่อนดื้อ เกวีนไม่ยอมหมุนเลยท่านพี่จะทำอย่างไรดีถึงจะไปได้ใจเย็นไว้ภริกะอาจจะมีสิ่งศัก ด, ดิ์สิทธิ์ใดบันดาลให้เป็นเช่นนี้พี่ว่าเรามากระทำพอดีกรรมเพื่อเป็นการบนบานสารกล่าวกันดีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายความลำบากใดๆที่เกิดขึ้นแก่ ข, ขบวนเกวียนของท่านไม่ได้เกิดจากอำนาจของผูดผียักษา์าหรือนาคา ทำไมอยู่ดีดท่าของเราคนเนี้ยถึงมีอาการแปลกไปดูท่าทางอาจองทนงใจเหมือนถูกใครเข้าสิงถูกแล้วล่ะพันลิกาความจริงเราคืออินทราเทวราชที่สำแดงฤทธิ์อำนาจเยี่ยงนี้ก็เพื่อบอกต่อท่านทั้งหลายว่าบัตรนี้สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งบัติแล้วพระองค์ประทับอยู่นเงาไม้ราชาญาตนะต้นนั้น ขอเชิญให้พวกท่านทั้งหลายได้สร้างกุศลตามควรเทิญ นายนำผู้แสดงสัจพจน์สีหาเมธีปัทรัตพลเกียรติบุรโชนสันศีศริยาพรบริการเจริญดีเป ร, กรมกมลโชติกาเสถียรธานิดศรีสินรัตนเกณิตเรืองศรีสุพิศราพัฒเจริญพิทยารักษุทธิ พ, พัฒนอ่อนปรางจรุพัฒนเสเวตรัตนโชติกาสเสวตรัตนออมวีนาจเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนาบุญญาบรรลสีงบริการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุทธสีหเมธีอานวยการตรี Yeah.